สู้ความรุงเรืองทั่วกันดำคูต้นต่ตสู้แดดผลไม่หวัน่นออกดอกช่อนั้นแดงบางงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู้ยังท้องถิ่นบ้านเราพัก นำพาด้วยคนนุณธรรมนอบนำอสู่การศึกษาส็บนิ้วก้มลงวันทาสศรัทธา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 สัญชาติอียิปต์อายุ43ปเีเดินทางมาพร้อมคณะ31คนในวันที่8 ก, กรกฎาคนะลงที่ท่ากาศยานอูตาเผานะแล้วก็ได้พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในรอนเนรยองเนี่ยตรวจพบเชื้อโควิด19นะครับนะซึ่งทหารกลุ่มนี้ก็มาทำภารกิจนะหลายอย่างแถวแถวเอเชียบินไปจีนบ้างบินไปต้นออกกลางแล้วกลับมา อยู่ที่ระยองนะฮะไปเดินตามห้างเพราะนั้นในตรงนี้นี่คราวนี้ออกจากประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าการที่พบติดเชื้อหนึ่งรายนี่ก็ส่งผลกระทบต้องมีการปิดห้างปิดโรงแรมนะตา ม, ตามตามที่เป็นข่าวกันเพราะนี่เป็นการเปิดเผยของในแพทย์ทวีศิล์นะครับนะซึ่งก็คงจะและอีกส่วนหนึ่งนี่ก็บอกว่ายังมีกรณีที่พบนะ ว่าเด็กหญิงนะครับอายุ9ก้ขวบเป็นครอบครัวคณะทูตจากแอฟริกาเนี่ยนะครับเดินทางเข้าเมืองไทยวันที่7กรกฎาคมในคณะมา5คนก็ตอนขึ้นเครื่องเนี่ยไม่พบเชื้อโควิดแต่ว่ามาที่เมืองไทยนะผ่านด่านคัดกรองเนี่ยก็พบว่าติดเชื้อนะครับนะเด็กอายุ9ขวบนะก็นําไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะ ซึ่งครอบครัวของเด็กหญิงดังกล่าวพำนักอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะเพราะในนตรงนี้นี่คงต้องมีการตรวจสอบเหมือนกันนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการการกา ร, การที่จะกักกันตัวเพราะโดยปกติแล้วถ้าเป็นคณะทูตนี่ถ้าพบว่าติดเชื้อนี่ก็จะให้กักกันตัวอยู่ที่บ้านพักนะในสถานทูต นะครับไม่ไม่ได้ให้อนุญาตให้ไปพักในคนโดมิเนียมนะครับนั่นก็เป็นการเปิดเผยของในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ่งตรงนี้นี่อย่างอย่างไรก็ดีในในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดให้สัมภาษณ์ในวันที่15กรกฎาคมที่อาคาร IMPACT ฟอรัมเมืองทองธา น, นีนะครับก็บอกว่า ได้ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตรงนี้นี่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับนะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีให้สิทธิพิเศษกับกับใครนะครับการขออนุญาตของต่างชาติที่เข้ามาก็ต้องมีกติกานะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ต้องมีการเข้มงวดทั้งไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งนายงตรีก็ลงไป ตรวจเยี่ยมนะครับไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์ที่ที่ระยองแล้วนะครับไปที่โรงแรมแล้วก็ไปที่ห้างสรรพสินค้านะครับนะก็อย่างที่เป็นข่าวนะในสื่อมวลชนนี่แหละครับนะก็ไปดูแลนะครับไปมีการกำชับนะว่าอาจจะต้องไม่ให้ในส่วนของเนี่ยในส่วนของต่างชาตินี่มีเอกสิทธิ์มีอะไรต่างๆอีกนะครับมีการกำชับกำชากันไปนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ เห็นตามข่าวโดยโดยทั่วไปแล้วในขณะเดียวกันนนายัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับกรณีที่ลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์เดินทางเข้าไทยนะครับนะก็ที่โรงแรมดีวารีดีว่านะครับนะแล้วก็ไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแหลมทองต่างต่างในแถวแถวระยองเนี่ยก็บอก ว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดว่าถ้าใครที่เดินทางไปที่ระยองวันที่8ถึง็กรกฎาคมเนี่ยก็ให้มารายงานตัวมามาพบที่เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่นะครับนะก็จะได้มีการมาเฝ้าดูอาการต่อไปนะครับซึ่ง ก็จะเห็นว่ามีหลายจังหวัดดีค่อนข้างที่จะเข้มนะทั้งบุรีรัมย์ทั้งโคราชนะหรือหลายๆจังหวัดแล้วครับนะที่พบว่าจะมีประชาชนเดินทางไปที่สถานที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังมีการมากักตัวกันนะครับตอนนี้นี่ก็มีการตื่นตัวกันกันมากนะครับในสําหรับกรณีเกี่ยวกับเรื่องของระยองคือ ท, ที่กังวลกันมากก็คือการ ที่จะมีการาล็อกดาวน์กันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับนะพอการค้าการขายต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องกิจการเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวในใ น, ในจังหวัดระยองเนี่ยก็เป็นเป็นรายได้หลักของของจังหวัดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วครับคนก็ตื่นกลัวก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่จองบอกยกเลิกการจองห้องพักกันไปซึ่งก็ส่งผลกระทบกันเหมือนกันเพราะตรงนี้คง จะต้องเอาใจช่วยนะในทุกฝ่ายในะการที่จะควบคุมนะการการระบาดนะของโควิด -19 กนะครับนะก็รับฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับ นาวเอ่ยข้าเคยกอดนากลับมางวังลมพาพัดนางสู่กรุงไรอ้อยแห้งเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่ที่ทนอดสู้เ้าดูเจรุงสวมแพรวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุง ไอ้อ้อยแห่งเ่าเพราะเจ้าไม่อยู่ ค, ครับเมบมาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องของน้ำนะครับการขาดแคลนน้ำนะฝนแรงนะมีมีปัญหามากนะทิ้งช่วงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำให้ดีนะครับนะทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการชนรประทานการผันน้ำนะการทำฝนเทียมต่างๆนี่ก็เห็นแต่ละส่วนนี้ก็เร่งกันอยู่ที่น่าสนใจอกีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของธนาคาร น้ำใต้ดินนะครับนะเมื่อวันที่15 ก, กรกฎาคมที่ผ่านมาที่พิษนุโลกดิพนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกนะรัฐมนตะรีก็นายวรวุธศิละปะาชาลัมตีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็ลงพื้นที่นะไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องของการธนาคารน้ำใต้ดินแล้วกการขุดเจาะบ่อเติมน้ำใต้ดินนะแบบบ่อ คอนกรีตนะซึ่งตรงนี้ในส่วนของคมทรัพยากรน้ำบาดาเนี่เป็นเป็นผู้ริเริ่มโครงการนะเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะบ่อน้ำใต้ดินนะครับนะซึ่งเป็นโครงการธนาคารน้ำใต้ดินน่แหละครับนะเป็นเหมือนนะแก้มลิงคอยรับเก็บน้ำนะซึ่งเป็นการเติมน้ำใต้ดินก็สามารถจะทำได้หลายวิธีนะก็แล้วแต่ลักษณะพื้นที่ ตอนนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็บอกว่าดำเนินการไปประมาณ530แห่งทั่วประเทศนะขุดเจาะเกี่ยวกับเรื่องของบ่อไปประมาณ300บ่อนะครับซึ่งก็เร่งภายในเดือนสิงหาเนี่ยจะเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ขุดขุดลึกไปประมาณ 8-10 ถึงเมตรนะรองรับน้ำไว้ในฤ ด, ดูแล้งนะซึ่งก็หลักการเติมน้ำใต้ดินก็เป็นการนำน้ำที่เหลือใช้ในช่วงน้าท่วม หรือน้ำหลากนะครับนะมาสู่ชั้นใต้ดินชนะั้นน้ำบาดาลซึ่งตรงนี้นี่ก็จะนำกลับมาใช้ในหน้าแงนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ในส่วนของรองนายกนี่ก็บอกว่าให้ทางกรมทรัพยากร น, า น, าน้ำขุดเจาะบอ่อเติมน้ำใต้ดินนะในทุกตำบลทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งนะก็เป็นนโยบายของรัฐเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่า จริงๆแล้วธนาคารน้ำใต้ดิ น, นในส่วนของทางเครือข่ายผสงค์เพื่อการพัฒนาหรือว่าในส่วนของเครือข่ายปรลาดชาวบ้านนะเครือข่ายของ NGO หลายส่วนนี่เขาทเริ่มทำกันมาในหลายพื้นที่มาก่อนนะถ้าถ้ารัฐมาเสริมนี่ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการนะเป็นโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนะเพราะในหน้าแรงที่ขาดแคลนนี่ก็ก ก็น่าจะนำน้ำเนี่ยมาใช้ได้นะครับนะเป็นธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยก็เป็นเป็นโครงการที่ดีในในส่วนของทางออมสินนี่กำลังจะมีการอัดฉีดสินเชื่อให้กับ SME เนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเ e เข้าไม่ถึงนแหล่งสินเชื่อซอบโลนเนี่ยนะครับนะของธนาคารพาณิชย์หลักๆเนื่องจากว่าบางครั้ง SME มีนี่ก็ไม่มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันก็กู้ไม่ได้เขาถึงไม่ได้ ทางนี้ทางแบงก์ อ, อมสินนี่ก็ได้รับนโยบายจากทางนายสมคิดจารุศีพิทักษ์รัมตรีรองนายรุ่งตรีนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าเตรียมซอฟโลนไว้ประมาณ1 0 0 0แสนล้านนะครับที่จะให้ SME เนี่ยเข้ามานะครับนะบนะทางด้านท่องเที่ยวบริการหรือหรืออื่นอื่นเนี่ยเข้ามาสามารถที่จะกู้ได้นะครับไปหมุนเวียนอ่าเพราะว่าในส่วนของ SME ที่เกี่ยวกับเรื่องของ นะการท่องเที่ยวเรื่องบริการนี่นะเป็นทางกิจการที่จ้างลูกจ้างจ้างแรงงานจำนวนมากแล้วครับนะถ้าให้ปิดกิจการก็จะส่งผลกระทบนะทำให้เกิดการว่างงานสูงนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็ทางรัฐบาลนี่มอบให้ อ, อให้ออมสินที่ดูแลลูกค้าหลายย่อยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยหาเร่แผงลอยอะไรต่างๆนะกลุ่มคนตัวเล็กๆนะที่ไม่มี เงินพอนะครับนะเพราะว่าหลายคนนี่ไปกู้นี้นอกระบบก็จะต้องถูกในทุนนี่ตามทวงอะไรต่างๆมีปัญหากันมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ก็พยายามที่จะให้กู้สำหรับรายลายย่อยเนี่ยครับนะตอนนี้นี่ก็มีเงินอยู่ประมาณสามสี่แสนล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับว่าจะจะอย่างไรนะครับนะแล้วก็รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยว นะพวกโรงแรมโฮมสเตย์บ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับนะก็จะมีการเตรียมไว้สำหรับการให้วงเงินของกลุ่มเหล่านี้ม า, ม า, ม, ามากู้ในวิทยรัตนากรผู้มนวยการธนาคารอมสินก็บอกว่าธนาคารเสนอรายละเอียดของซอฟ์โลนประมาณแสนล้านให้กระทรวงการคลังนี่พิจารณาแล้วนะครับนะก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกู้ชัดเจนนะครับว่า อาจจะต้องอย่างเช่นต้องเป็นลูกค้ารายใหม่แล้วอาจจะมีการลดลันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้หลักทรัพย์ค้าประกันอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับว่าถ้ า, ามีเม็ดเงินลงมานี่ก็จะช่วยพยุงไม่ให้เกิดการจ้างงานและเลิกจ้างงานนะครับตอนนี้นี่มีปัญหากันมากโดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวนึงก็อย่างที่ที่เราบอกแล้วครับว่าเรา พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป็นหลักนะประเทศไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เราพึ่งพามากก็คือจากจีนบ้างนะครับจากญี่ปุ่นเกาหลีแถวเอเชียเรารวมทั้งจากสหรัฐอเมริกาจากยุโรปนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วครับเนื่องจากว่ามีาการปิดประเทศมีการล็อกดาวน์กันนะในหลายประเทศก็ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนนี้ออกมาเที่ยวต่างประเทศ ทำให้รายได้ส่วนนี้นี่หายไปนะครับแต่เพราะในตรงนี้นี่รัฐก็กําลังมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการให้คนไทยเที่ยวภายในประเทศด้วยกันเองนะครับนะซึ่งพยายามให้มีการหมุนเวีย น, นการท่องเที่ยวกันภายในประเทศนะก็จะแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งต้องเอาใจช่วยในทุกๆส่วนนะครับในการขี้คายปัญหานี้สําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับชีวิตจะสั้นเพราะควันบุรีเรามา ร่วมมือกันล ด, ดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลทานันต้องขอลาท่านไมก่อนเลยพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ หน้าเท้าสุรนารีเคยได้มีหนุ่มสามคู่เคียงสาบานตามอาจารักไม่เปลี่ยนแย่ชั่วกันหากใครผิดทำสาบานให้มีอันเป็นไปผล ังนั้นไม่นานต่อมาโอ้อจิจ้าไฟสาวก็แปรพันใจกลับมอบความรักให้กับชายอื่นไปหนุ่มๆเขาตรอมใจชอบช้ำมาหายาโหนุ่มคนนั้น ก็คือฉันนี่เองอยากจะตะเบนเปล่งเสียงร้องไห้โห ม, มาทอนสาบานต่อนายาโมด้วยใจสุดช้ำเสศเหมือนคนจวนสิ้นใจยา ให้เธอไป ด, ดีอย่าให้มีคืนผมระทมอันใดลูกสดแสนรักอยากให้เธอสุขใจอยาโกรธแค้นเครื่องใดลูกขอรับไว้เพื่อ อย่าโปรดยกโทษให้เธอไปดีอย่าให้มีคืนผมระทมอันใดลูกสดแสนรักอยากให้เธอสุขใจอย่าโกรธแค้นเคืองใดลูกขอรับไว้ผู้ ฐานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ